สิกขาบทที่สองถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งเท้าสะเอวในละแวกบ้านในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา